สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับวันนี้เราอยู่ในประเด็นสุดท้ายของชีวิตที่เกิดผลครับซึ่งเป็นกฎข้อที่14ใน20กฎทองคาซึ่งนำสู่ชีวิตที่ดีงามและสมานชันพี่น้องครับวันนี้ผมจะสรุปทุกอย่างเกี่ยวกับการเกิดผลนะครับแต่ขออนุญาตพูดในประเด็นสุดท้าย ซึ่งเป็นคำบรรยายจากข้อเขียนของญญาศาสตราจารย์ดรฟิลิปเทงนะครับในพนระชนะของพระเจ้าย้อนบทที่15ข้อที่11นั้นได้กล่าวอย่างนี้ครับว่านี่คือสิ่งที่เราได้บอกแก่ท่านทั้งหลายแล้วเพื่อให้ความยินดีของเราดำรงอยู่ในท่านและให้ความยินดีของท่านเต็มเปี่ยมโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งครับนี่คือสิ่งที่เราได้บอกแก่ท่านทั้งหลายแล้วเพื่อให้ความยินดีของเรา ดำรงอยู่ในท่านและให้ความยินดีของท่านเต็มเปี่ยมพี่น้องครับกระแสรหรือวงจรวงจรแห่งความชื่นชมยินดีวงจรแห่งความปริตยินดีนั้นเริ่มต้นก็คือต้องสนิทติดสนิทกับองค์พระบูญเจ้าครับความปริตยินดีเต็มเปี่ยมจะเกิดขึ้นได้ต้องติดสนิทกับองค์พระบุญเจ้าก่อน ความปริติยินดีความชื่นชมยินดีนั้นก็จะตามมาและพระเยซูได้ทรงสัญญานะครับว่าความชื่นชมยินดีของพระเยซูจะอยู่ในชีวิตของเราและทําให้ชีวิตของเรานั้นเปลี่ยมไปด้วยความชื่นชมยินดีที่มาจากพระองค์พี่น้องครับเราจะเห็นว่าความปริติยินดีที่เต็มเปลี่ยมนี้ก็จะเปลี่ยนไปเป็นการร้องเพลงเป็นการสรรเสริญพระเจ้า เป็นคำสะดวดีถวายแด่พระองค์เป็นการนมัสการพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและความจริงหลายครั้งทีเดียวพี่น้องครับเมื่อเราเติดสนิทกับพระองค์เราจะเห็นถึงความยิ่งใหญ่สงาราศีการประจักษ์การทรงพระชนอยู่และสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับเราจาเป็นที่จะต้องตรหนักรู้คำว่าตรานักรู้นี้สำคัญครับก็คือความรู้สึกความรู้สึกที่ เกิดขึ้นว่าสิ่งที่เรากำลังเชื่อเรากาลังได้สัมผัสอยู่นั้นเป็นสิ่งที่จริงและเมื่อเรามีประสบการณ์การตระหนักรู้แล้วพี่น้องครับเราจะสัตว์ซื่อในความเชื่อของเราเราจะถือรักษาสิ่งสรพัดที่พระเจ้าได้สั่งไว้พี่น้องครับการติดสนิทกับพระเจ้าสำคัญมากทีเดียวและเป็นกฎแห่งการเกิดผลครับ ใน16ข้อของพระธรรมยอห์นบทที่15นี้ผมอยากจะสรุปครับว่าพระเยซูได้กล่าวถึงหลักการสำคัญของการเกิดผลมากอย่างละเอียดถี่ถ้วนครับข้อสรุปประการแรกก็คือแขนงจะออกผลเองไม่ได้ครับเพราะว่าตัวเรานั้นแท้จริงแล้วไม่มีความดีประการใดเหลืออยู่เลยเพราะว่าเจตนาดีของเราก็มีอยู่แต่ซึ่งจะกระทาการดีนั้น หาได้กระทำไม่หาได้กระทำไม่ครับด้วยว่าการดีนั้นซึ่งข้าพเจ้าปรารถนาจะทำข้าพเจ้าไม่ได้กระทําแต่การชั่วซึ่งข้าพเจ้ามิได้ปรารถนาทำข้าพเจ้ายังทําอยู่ท่านอาจารย์บอลโลซึ่งเป็นอัครทูตท่านได้เขียนอย่างดีครับโอข้าเป็นคนที่น่าสมเพศอะไรเช่นนี้ข้าพเจ้าเป็นคนที่น่าสมเพศอะไรเช่นนี้แขนงเดิม จะเกิดผลไม่ได้จะออกผลไม่ได้นอกจากจะติดอยู่กับเถาครับนอกจากจะติดอยู่กับเถากับพี่น้องเราจะต้องติดสนิทเราถึงจะเกิดผลและถาว่างุนเท่านั้นครับที่มีชีวิตและให้เราเกิดผลเพราะว่าพระองค์ทรงพระชนอยู่ครับพระองค์มีชีวิตพระองค์ก็ประทานให้เราเกิดผลได้เสมอพี่น้องครับพระองค์บริสุทธ พระองค์ไม่มีบาปและพระองค์เป็นผู้ช่วยเราให้รอดจากบาปดังนั้นเองการเกิดผลที่เป็นผลของพอระมีญาณมิสุดเรื่องของความบริสุทธิ์นั้นก็ต้องมาจากองค์พระวินเจเราต้องติดสนิทประการต่อไปครับเราจะได้รับพลังจากเทาังคุณทีนี้ครับเมื่อแขนงติดอยู่กับเทาอางุณก็จะเริ่มมีชีวิตมีน้ำเลี้ยงไหลเวียนหล่อเลี้ยง แขนงเราเป็นแขนงพระเยซูเป็นเถาวัลุาา่นเถาวัลุ่นก็คือต้นองุ่นนั่นเองแขนงก็คือกิ่งครับพี่น้องครับถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดเก่าๆล่วงไปนี่เนี่ยกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นพี่น้องครับเราได้รับพลังการเกิดผลจากต้นองุ่นครับและประการต่อไปครับ แขนงหรือกิ่งนั้นต้องติดอยู่กับต้นติดอยู่กับเถาเสมอไม่ใช่เป็นการพันติดกันโดยบังเอิญหรือจะติดหรือไม่ติดก็ได้แต่ต้องติดตลอดเวลาติดอย่างสนิทไม่ใช่นานมาติดครั้งหนึ่งนั้นมาติดครั้งหนึ่งผลที่เกิดขึ้นมาก็บิดเบี้ยวไม่สมบูรณ์อ่อนแอเปลี่ยวซึ่งเป็นแขนงที่ไม่ดีพี่น้องครับ ขแขนงที่ไม่ดีขแขนงที่ไม่เกิดผลจะถูกริดออกครับประการต่อไปก็คือขแขนงที่ออกผลแล้วต้องถูกชำระให้สะอาดจึงออกผลได้พระเยซูกล่าวถึงความสะอาดสองประเภทนะครับความสะอาดที่เกิดจากการริดขแขนงนะครับความสะอาดนี้ก็คือกิ่งไหนครับที่ไม่เกิดผลขแขนงไหนที่ไม่เกิดผลก็สิ้นเปลืองน้ำเลี้ยงครับ ไม่เกิดผลก็ต้องริดเพราะว่าถ้าต้นองุ่นมีขแขนงเยอะแยะมากมายมันมากเกินใบผลก็ยิ่งน้อยผลก็เล็กแต่การริดคือการตัดกิ่งและใบตรงไหนที่ไม่เกิดผลริดมันออกน้ําเลี้ยงของต้นองุ่นจะได้มุ่งไปสู่การเกิดผลที่กิ่งที่เกิดผลครับพี่น้องครับ ประการต่อไปก็คือความสะอาดประเภทที่2คือการรับการชำระให้บริสุทธิ์รับการชำระให้ให้บริสุทธิ์สะอาดพระเจ้าได้ใช้พระเจนะของพระองค์ถ้อยคําของพระองค์ชำระเราทั้งหลายให้สะอาดเราต้องอาศัยพระวจนะอาศัยถ้อยคําของพระองค์มาชำระเราครับประการที่6ประเด็นประเด็นที่6นั้นก็คือต้องเกิดผลมากขึ้นเรื่อยๆร เราไม่เพียงแต่ต้องเกิดผลเท่านั้นแต่ต้องพยายามให้เกิดผลมากขึ้นนี่เป็นท่าทีที่อยู่ในใจของพวกเราทั้งหลายคริสเตียนทุกคนครับมีคริสเตียนมากมายเกิดผลบ้างก็รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจแล้วก็ไม่ไดิ่ลนที่จะแสวงหาต่อไปเป็นสิ่งที่น่าเสียดายจริงๆครับประการที่7ประเด็นที่7คือคแขนงที่เหี่ยวแห้งต้องระวังครับพี่น้องผู้ใดไม่ได้เข้าสนิทอยู่ในเรา ผู้นั้นต้องถูกตัดทิ้งเสียเหมือนแขนงแล้วก็เหี่ยวแห้งไปแล้วก็ถูกเก็บเอาไปเผาไฟนี่เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากครับประการที่8ครับความเกี่ยวโยงการรับพลังการเกิดวงจรต่อเนื่องนะครับก็คือเราจะต้องอยู่ในสายของพลังครับเราต้องอยู่ในสายของน้ำเลี้ยงเราต้องอยู่ในสายที่รับเอาน้ำเลี้ยงจากแหล่ง แหล่ง น, น้ำเลี้ยงแหล่งพลังครับก็คือภาวร์งุนพี่น้องครับต้องร่วมกันในสายพลังนี้เราเร่วมกันในเรื่องของพระเจนะของพระเจ้าครับเป็นกระแสร่วมในพระเจนะของพระเจ้าเราต้องเป็นกระแสเดียวกันเป็นวงจรเดียวกันร่วมกันในความรักของพระเจ้าและสุดท้ายวันนี้ก็คือเราจะต้องมีการร่วมกันเป็นวงจรร่วมกันกระแสร่วมกันในความปิติยินดี ที่อยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องครับในที่สุดแล้วคนที่ติดตามพระเยซูครับคนที่เข้าสนิทกับพระเยซูเขาจะมีความชื่นชมยินดีแม้ในยามทุกข์ยากลำบากแม้ในยามที่มีปัญหาแม้ในยามอุปสรรคแม้ในยามที่หลายครั้งทีเดียวเราคิดไม่ออกครับว่าจะหาทางออกอย่างไรหันไปทางซ้ายทางขวาข้างหน้าข้างหลังพี่น้องครับต้องมองขึ้นข้างบนครับ การติดนิกกับองค์พระพุ้เเจ้าอย่างสม่ำเสมอก็จะป้องกันเราไม่ให้เราท้อแท้ใจได้ไม่ให้เราเลิกกลางคันได้ไม่ให้เรางอนพระเจ้าได้ไม่ให้เราอารมณ์เสียไม่ให้เราทำสิ่งต่างที่ไม่บังควรไม่สมควรขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน